เรื่องของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์อันแรกของเราถ้าหากว่าเราเข้าใจตั้งแต่แรกถูกต้องนะต่อไปมันจะง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจตอนแต่แรกสับสนไม่ถูกต้องมันก็จะเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าปฏิบัติแบบมิถะเข้าใจแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดเวลาแล้วก็แต่ละครั้งที่เรากำหนดรู้เข้าใจเนี่ย การเดินทางของจิตของเราไปสู่มัคสู่ผลเนี่ยมันก็จะก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านทํางานอะไรต่างเมื่อเรารู้จักวิธีเคลียร์จิตเคลียร์ใจของเราเรารวมจิตรวมใจมาอยู่กับกายตลอดนั่นแหะแล้เราเดินทางอยู่ในเอเรียมัคมีองค์แปดตลอดเวลาคําว่ามัคเนี่ยหมายถึงว่าเราเดินทางทางจิตนะไม่ได้หมายถึงว่าความรู้ กีับมักแปดอเยส ส, สีเอามาจาแล้วค่อยนึกค่อยตึกค่อยตองเราเป็นปฏิบัติในมักไม่ใช่นะแต่การที่โน้มจิตโน้มใจมาดูกายดูใจได้ชัดเจนตลอดเวลาว่าในช่วงไหนใจเราเป็นอย่างไรนะวันนี้วันที่เราจะทำความใจเรื่องจิตตานุปัสสนาอีกทีหนึ่งแล้วก็ในช่วงเย็นเย็นหลังจากที่ปฏิบัติช่วงเย็นแล้วประมาณสักสี่โมงห้าโมง แด็กมาก็จะบินกลับไปทำธุระที่เวกสัสวันหนึ่งวันที่9พอเสร็จตอนเย็นวันที่9 ก, ก็กลับมาในเย็นวันนั้นนะนะเพราะว่าเราจะเลื่อนเข้าก็ไม่ได้เราจะเลื่อนทั้งนี้ก็ไม่ได้ก็จําเป็นต้องใช้วิธีนั่นแหละแต่ก็จะอยู่พาเราปฏิบัติได้ทั้งวันจนถึงตอนเย็นดังนั้นในความเข้าใจเนี่ยว่าการเอากายกับใจดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันฟังดูง่ายนะฮะ แต่เวลาไปทำจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเรานี่เคยชินอยู่กับความคิดความนึกคิดตรึกตรองการขาดการณ์เดาแล้วก็ชินอยู่กับการที่จะใช้ความคิดความรู้สึกไปทางส่งไปข้างนอกเนะี่ยแล้วก็ไอความคิดความรู้สึกแบบนั้นะที่เราต้องทำให้เราเวียนว่ายใจเกิดอยู่ในภพในชาติอยู่ในสุขติบ้างทุกขติบ้าง ทั้งชีวิตที่ผ่านมาและทั้งชีวิตจำวันเนี่ยทีนี้ในการใช้ชีวิตแบบนั้นและปล่อยชีวิตจะเป็นแบบนั้นต่อไปเนี่ยผู้ทีเจ้าท่านก็บอกว่ามันไม่พ้นจะะากวัฏสงสารเวียนว่ายใจเกิดในอารมณ์ในโลภในโกรธในหลงซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานเพราะเราไม่สามารถจะกําหนดสิ่งข้างนอกให้เป็นไปดั่งใจเราได้เราก็เลยมาจัดการ สิ่งข้างในเราให้ชัดเจนว่าเราจะาปฏิบัติต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างไรถึงจะปลอดภัยจากความทุกข์หรือความทุกข์มันลดน้อยลงเรื่อ ย, เอยๆเนี่ย น, น ะ, นะเราก็จะต้องมารู้จักให้ชัดเจนซะก่อนเพราะถ้ารู้จักไม่ชัดเจนแล้วนี่เราก็ต้องสแสวงหาวิธีทางเรื่อยไปสแสวงหาวิธีการปฏิบัติสแสวงหาที่พึ่งสแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหา ทางออกของจิตเนเมื่อมันทุกข์แล้มาอยู่เฉยไม่ได้มันต้องหาทางออกที่ถ้ามันออกในทางที่ไม่ถูกเนี่ยมันก็อืหาไปเรื่อยๆพึ่งนั้นพึ่งนี่ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันออกในทางที่ถูกเนี่ยมันก็ออกได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยได้ไวอันนั้นคือเป้าหมายอันสูงสุดในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อปลอดภัยจากความทุกขนะ์ทีนี้ใน การปฏิบัติแบบวิธีการแบบนี้แบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเทคนิควิธีที่ง่ายทำง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่เป้าหมายก็อันเดียวกันในวิธีการอื่นนั้นเราเคยทำเราเคยศึกษามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ายากหรอกแต่ว่ามันจะทำให้เร า, เ, าเกิดแรงดนใจแรงบันดาลใจให้เรา ทำอย่างติดต่อต่อเนื่องทำอย่างจริงจังตั้งใจเนี่ยมันยากเพราะความเข้าใจอาจจะไม่เพียงพอศรัทธาไม่แรงพอความเพียรอาจจะไม่ต่อเนื่องสติสมาธิปัญญาอาจจะไม่เข้มแข็งพอเนี่ยในวิธีการที่เราได้แ ล, แล้วมาใจของเราก็ยังขึ้นขึ้ น, นลงลงฟูฟูแฟบแฟบอยู่กับสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเรามีหลักในการ ตั้งรับต่อสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบจิตเราก็จะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แกในสิ่งที่มากระทบดังนั้นอย่างที่หลวงพ่อเขเขียนว่ามืันคืนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นภาวะที่ประเสริฐกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำไมเราต้องมาทุกข์อีกทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับลูกกับผัวทุกข์กับครอบครัวลูกกับเพื่อนกับฟูงทุกข์กับ เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมเราต้องทุกข์อีกเพราะเราทุกข์มานาะนเหลือเกินแล้วเนี่ยทําไมต้องทุกข์อีกเพราะนั้นเป็นสิทธิของเราที่จะทําเรื่องนี้ให้มันมันเข้าใจให้มันสุขมันสิ้นได้นะทีนี้ไอ้เทคนิควิธีการเนี่ยตามที่เราได้พบครูบาอาจารย์มาเราก็ว่าครูบาอาจารย์นั่นดีอะวิธีการอันนั้นดีแล้วคอยพิสูจคอยติดตามมาเรื่อยๆแต่แล้วมันก็ยังไม่ <c oughs> สําเร็จเด็ดขาด ให้เราได้มั่นใจว่าเราจะพึ่งพาในวิธีการนั้นได้ตลอดแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะข้อมูลอะไรต่างๆก็เรียกว่ามีให้เลือกมีให้ศึกษามากมายครูบาอาจารย์ก็มีหลายแบบก็ทำให้เราไม่ค่อยลงหลักปักมั่นว่าเราจะเอาแบบไหนไอ้ตัวลังเลสงสัยหรือวิขีฉาเนี่ยทำให้เราต้องอไม่ สามารถจะตั้งมั่นในวิธีการอันใดอันหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในการนำเสนอของอาตมา ก, ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่เราตรองตามเห็นได้ตามรู้ได้แล้วก็พิสูจน์ได้นะด้วยตัวเองแล้วก็ในวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยพยายามจะทําให้ง่ายให้ชัดที่สุดการใช้ภาษาใช้เทคนิคใช้วิธีการก็ทําให้มันง่ายมันชัดเอาไว้เหมือนกับเราเริ่มต้นจากกอไก่ข้อไขเลยทีเดียว นะทีนี้มันก็มีสองส่วนที่เราจะต้องคำนึงส่วนที่หนึ่งก็คือกระยะิยีนมิตรผู้ที่นำเสนอเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งแค่ไหนอันที่สองเมื่อนำเสนอชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเรามีความแยบคลายความละเอียดละออความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบส่วนประกอบที่เราจะนำเข้าไปสู่ทางแห่งมรรคผลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สองหลักหลัก กิริยาณมิตรตตาและหลักโยนิสโสมนาสิการที่ที่หลักกิริยาณมิตรเนี่ยท่านก็แยกไว้อีกสองสามอย่างก็คือหนึ่งกิริยานมิตรก็หมายถึงครูบาอาจารย์ผู้นําเสนอสองกิริยาณสหายหมายถึงเพื่อนผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นสหายปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเห็นไม่ได้ทางเดียวกันเข้าใจไม่ได้ทางเดียวกันช่วยเหลือกันได้ ปรึกษากันได้ที่เรียกว่ากิริยาณสหาย 3. กิริยาณสัมปวังโกหรือกิริยาณสัมปวังกตาหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเอือ้อสิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมมันเอือ้อมันช่วยมันสนับสนุนในจุดนี้ท่านหมายถึงสปายะต่างๆเช่นอาหารและสปายะอาหารบินเทบาตหาได้ง่ายไม่สแสลงไม่ยุ่งยาก อันสัมปวังการอันที่สองอาวัชปยะก็คือหมายที่อยู่อาศัย ส, สงบสงัดแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาเราก็ได้ตรงนี้ได้วัดของพระอาจารย์สันติท่านก็จัดเตรียมความพร้อมให้เราทุกอย่างเป็นอาวัชปยะสถานที่สะดวกสบายเหมาะสมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินอะไรจัดไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็น ความกริยนะาสัมปวังกตาอันที่สมปุคละสปายะหมายถึงว่าคนที่ไปมาหาสู่มาปฏิบัติล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติล้วนแต่เป็นผู้ใฝ่ดีไม่มีใครมาตําหนิที่ชินหาเรื่องหาราวนินทากันไม่มีมีแต่คนที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมมาหากันเรื่อปุคละสปายะอันที่สี่ธรรมส ป, ปะยะมายะก็มาถึงวิธีการ เราก็ใช้วิธีการเดียวเน้นย้ํากันในเรื่องวิธีการเดียวเราไม่นําเอาหลายวิธีการหลายเทคนิคมาสับสนปนเปกันเราพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องการกําหนดความรู้สึกตัวเป็นหลักลักษณะความสะดวกสบายทั้ง4ประการนี้เองท้าเรียกว่ากริยาณนะสัมปวังกตากริยานิมิตก็มีครูอาจารย์มาแนะทั้งที่เป็นสื่อทางเทพทาง วิดีโอก็ดีทั้งเป็นบุคคลตัวอย่างก็ดีการยาณะสหายล้วก็มีมิตรสหายพาปฏิบัติได้อย่างาเป็นกำลังใจของกันและกันอันนี้คือในส่วนของคาว่าการยาณมิตรหรือปรโตโคสัตทีนี้มาดูในส่วนที่สองคือส่วนของเราบ้างการยาณมิตรการยาสหายการยาสัมพงว่าจะดีขนาดไหนจะช่วยเราได้5 0 แต่อีกห้าสิบเเทว่โยนิโสมนสัสการเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราคือหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่อีทวนแยบคายเข้าใจถูกในสิ่งที่นำเสนอตรงนี้เป็นส่วนของเราละห้าสิบเปอร์เซนถ้าเรามีความอีท้วนมีความแยบคายเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่นำเสนอก็ทำให้เร า, าเดินทางได้ไว เพราะมีความสะดวกทุกด้านเราก็เข้าใจถูกนะเหมือนกับคนทีเ่เดินทางอ่านแผนที่ออกนะแล้วก็มีคนช่วยบอกทางเราก็มีความสามาร์ในการขับรถรถลาเราก็ไม่เสียง่ายสุขภาพเราก็ดีถ้าหากว่ามีความพร้อมอย่างเงี้ยแน่นอนว่ารถคันนั้นต้องไปถึงเป้าหมายอันนี้ก็เป็นการทางแง่ของนามมาทำถ้ามีความพร้อมทั้งด้านกรรยาณมิตรและมีความพร้อมทั้งด้านโยนีสูมนติการ ทั้งสองด้านเนี่ยเราก็ต้องไปถึงเป้าหมายคือตัวมรรคตัวผลแน่นอนนะส่วนใจช้าหรือไวนี่ขึ้นอยู่กับกําลังอินทรีย์ของเราเนี่ยพูดถึงกําลังอินทรีย์นี่ทั้งที่เป็นอินทรีย์รูปและอินทรีย์นามอินทรีย์รูปหมายถึงว่าเรามีสุขภาพดีมีความเข้มแข็งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่บอดไม่ไหวไม่นงกไม่พิกลพิการอินทรีย์รูปเราพร้อม นัเรียกว่ามีความเข้มแข็งพอเพราะว่าเราก็ใช้โยคะเข้าขมาช่วยและ ว, วิธีการปฏิบัติของเราก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทําให้ไอซีเราอ่อนคือหมายความว่าไม่ทําให้เราปวดเราเมื่อยมากเกินไปเราสามารถปรับเปลี่ยนอยาบทต่างๆให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอปรับช่วยปำให้ไอซีทางกายเนี่ยให้เข้มแข็งได้เสมอนี่ก็เลยไอซีทางลูกก็ช่วยเ อ, อื้อทีนี้มาดูไอซีทางน้ำบ้าง อีซีทางนามท่านหมายถึงศรัท ธ, ธ า, าหมายถึงศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นในวิธีการแรงจูงใจในวิธีการแล้วก็มีมากพอเรียกว่าศรัท ธ, ธาแล้วอีซีนามอันที่สองก็คือมีความเพียรวิริยินรีก็คือเราสามารถประลบความเพียรต่อเนื่องได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจุดยิน ก็ไม่มีใครอด อ, ดอดแอดแอดมีความตั้งใจทํากันมีความเพียรสูงต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงได้นี่เขาเรียกว่ามีความพร้อมทางอินทรีย์นามประการที่2องินทรีย์นามประการที่3ก็คือมีสติมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้สึกและลึกรู้ว่าความรู้สึกตัวที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้สึกตัวจริงๆ ไม่ใช่หมายถึงความจำความจาได้หรือความนึกความคิดแต่มันหมายถึงตัวสติที่สัมผัสได้มหมายถึงตัวที่เราสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวสัมผัสความรู้สึกในกายในเวทนาในจิตของเราได้จริงๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดแต่มันสัมผัสได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นสติอะอินทรีย์สมาธิอินทรีย์คือสมาธิความตั้งใจมั่น นะความตั้งใจมั่นในการที่จะทําคือรักษาความรู้ตัวได้ต่อเนื่องไม่ใช่ลืมบ้างหลงบ้างคิดบ้างรู้บ้างไม่ใช่แต่รู้ตัวอย่างสม่ําเสมอนะว่าเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรเราก็เห็นสภาว่จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่วอกแวกหวันไหวไม่เหล้ยวไหลไปสู่อดีตอนาคตนี่ก็เรียกว่ามีอินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิเข้มแข็งเพราะว่าสมาธิเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงว่าเราไปตั้งจิตสงบจนกระทั่งว่าเข้าลึกเข้าไปถึงฌานเชนั้นเชนี้เราไม่ต้องการมากถึงกระขั้นนั้นแค่ว่าตั้งมั่นในการกระทําต่อเนื่องในการกระทําถือว่าเป็นสมาธิแล้วและอินทรีย์คือปัญญาคือรอบรู้ในากายในใจของเราว่าขณะนี้กายเราเป็นอย่างไรสบายไม่สบายเราก็แก้ไขบําบัดได้ รอบรู้ในกองของจิตแต่สังขารคือได้เห็นใจของตัวเองว่าช่วงไหนมันคิดช่วงไหนมันไม่คิดช่วงไหนมันปรุงแต่งช่วงไหนไม่ปรุงแต่งช่วงที่มันคิดเราจัดการกับมันยังไงช่วงที่มันไม่คิดเราจัดการกับมันยังไงการที่เข้าไปจัดการทั้งรูปทั้งนามได้ถูกต้องแก้ไขปัญหาได้ตรงเลยอินทรีย์ปัญญรีย์คือปัญญาเนี่ยจะเห็นว่าทั้งอินทรีย์ทั้งสองส่วนก็พร้อมอินซียรูปก็พร้อม อินสีนามก็พร้อมเมื่ออินสีรูปอินสีนามพร้อมมันก็เกิดตัวกําลังกําลังสติก็เข้มแข็งกําลังสมาธิก็เข้มแข็งกําลังปัญญาก็เข้มแข็งกำลังศรัทธาก็เข้มแข็งกำลังความเพียรก็เข้มแข็งเขาเรียกว่าเป็นพระเป็นอินสีเป็นพระมันมีความพร้อมดังนั้นเราก็มาเช็คมาตรวจดูว่าตัวไหนยังไม่พร้อมเราก็ไปเพิ่มกําลังให้ตัวนั้น เช่นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันมีตัวนิวรนเข้ามารบ ก, กวนนิวรนแต่และตัวทําให้เราต้องเป็นยังไงหยุดชะ ง, งักไหมล้าไหมถอยไหมเหนื่อยไหมเบื่อไหมเซ็งไหม ร, รู้เท่าทันไหมเนี่ยตัวนี้เราจะต้องมาตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นธรรมดาสําหรับผู้ใหม่เนี่ยนิวรนก็จะมาแข็งมาแรงง่วงก็ง่วงจะจัดเบื่อก็เบื่อจะจัด ขี้เกียจก็ขี้เกียจจัดจัดหงุดหงิดก็หงุดห ง, ง, งิดจัดจัดถ้ามันเกิดขึ้นที่เรารู้เท่าทันมันไหมแก้ไขมันทันไหมถ้าภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันนี่วอนเหล่านี้แล้วแก้ไขได้ทุกครั้งที่มันเกิดโดยที่ไม่ปล่อยให้มันลากยาวไปทั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงเราก็สามารถก้าวเดินไปทางด้านจิตใจของได้อย่างรวดเร็วนะ เมื่อลดเราวิ่งไปมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเช่นไปเจอทางหลุมทางบ่อไปเจอทางฝุ่นทางน้ําไปเจอทางามันรกมีสิ่งกีดขวางเราก็เข้าไปจัดการแก้ไขได้รวดเร็วรถเราก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าไปเจออุปสรรคเหล่านี้แล้วมันเกิดไปไม่ได้เนี่ยอันนั้นคือปัญหาการปฏิบัติของเราเหมือนกันมันก็มีอุปสรรคก็คือมีนิวรณ์ต่างๆ ที่นี้เราผ่านมาสามสี่วันเข้าวันนี้แล้วนิวรณ์ต่างๆเริ่มสงบลวรู้จักวิธีแก้เรามีเครื่องมือในการจัดการกับนิวรณ์ต่างๆนะดังนั้นในวันนี้เราก็ลงมาลึกอีกตอน่จากเมื่อวานเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องจิตานุปัสสนาในภาคคนะ่อนข้างเป็นภาคปฏิบัตินะที่เราทำได้นะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นภาค ปริยัติที่เราดูเมื่อวานที่เราสวดเมื่อวานสราค้างว่าจิตตั้งสราค้างจิตตันติประชานาติเมื่อจิตมีความชอบความรักความใคร่ก็รู้ว่าจิตมันมีอารมณ์นั้นเมื่อจิตไม่มีความรักความชอบไม่มีความสนุกสนานจิตมันไม่มีภาวะอันนั้นเราก็รูนะ้เมื่อจิตมันเกิดความหมงุดหงิดเกิดความไม่สนุกเกิดความ ปฏิฆะอะไรแล้วก็รู้นี่ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทส ะ, มมทสะทหมายควาะว่าในช่วงไหนจิตของเรามันว่างจากอารมณ์ปฏิฆะหงุดหงิดไม่มีอะไรมาขัดข้องหมองใจในใจเราก็เห็นจิตมันว่างมันโล่งมันเกลี้ยงมันเกามันใสยอยู่ก็เห็นเห็นภาวะนั้นได้ชัดแต่ก็รู้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติในจิต คิดก็ไม่รู้จิตว่างก็ไม่รู้จิตสบายก็ไม่รู้จิตไม่สบายก็ไม่รู้ตรงนี้มันกลายเป็นโมหะแต่พอเข้ามารู้สภาวะจิต้วยในช่วงไหนจิตโปร่งก็รู้จิตหนักก็รู้จิตเศร้าหมองโคลี้ก็รู้จิตผ่องใสก็รู้ลักษณะนี้ก็เรียกว่าตามดูจิตได้ชัดแล้วนั้นในหมดว่าด้วยจิตานุปัสสนาเนี่ยท่านก็ว่าไว้ถึง เจแปดอย่างเช่นว่าจิตมีโทจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านนะจิตได้อารมณ์จิตไม่ได้อารมณ์จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตพ้นอารมณ์จิตไม่พ้นอารมณ์เนี่ยท่านชั้นแยกไว้หลายหลายอารมณ์ทีเดียวแต่ว่าเราก็ดูเย่อๆว่าจิตสบายหรืจิตไม่สบายนะจิต ว่างหรือไม่ว่างจิตะสะอาดหรือไม่สะอาดแค่นี้ดูง่ายๆแค่นี้ไม่ไม่ต้องไปแยกตามประเภทที่ที่ท่านแยกไว้เยอะๆมันจะได้ง่ายเข้ามาหมายความว่าทำให้มันชัดแล้วก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นในเงียของจิตท่านก็แบ่งหลักๆไว้แค่สมคือจิตเป็นจิตดีจิตไม่ดีแล้วก็จิตเฉยๆจิตรู้จิตไม่รู้แล้วก็จิตเฉยๆ จิตว่างจิตไม่ว่างจิตเฉยเฉเนี่ยแล้วก็แยกสามประเภทหลักๆเลยดูแค่นี้แหละบางช่วงจิตเป็นยังไงมันเต็มไปด้ยวยความคิดหรือว่ามันคิดน้อยลงหรือเต็มไปด้ยวยความรู้สึกตัวก็ให้ตามรู้แค่นี้แหละนี่เรียกว่าวิธีดูจิตในง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าไปจ้องไปเพ่งดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ใช่แต่รักษาจิตไว้ที่รูป ก, กับนามคือกายกับเวทนาที่กล่าวมาในวันก่อน ว่าความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกในกายคือเวทนาความรู้สึกในกายคือการเคลื่อนไหวที่เห็นกันได้ทั้งอีบทน้อยอีบทใหญ่ความรู้สึกในเวทนาคือเห็นไม่ได้เช่นเย็นร่อนอ่ อ, อนแข็งแข็งตึงเจ็บ <c oughs> ปวดเนี่ยมันอยู่ในกายในกายภายในไอสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ก็ละกายภายนอกเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหยาบทั้งละทั้งหยาบทั้งกลางของกาย นี่ก็เรียกว่าเห็นได้กายภายนอกแล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกก็รู้เท่าทันนี่เรกกายภายนอกกายภายในลึกเข้าไปก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึงพวกนี้เป็นกายภายในแล้วก็เห็นแล้วก็เอาจิตของเราก็มามาอยู่กับมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เสมอแต่บางครั้งมันมีภาวะคิดหรือไม่คิดขึ้นมาในใจแล้วก็ แว บ, บเขาไปดูบ้างช้ำเลืองตาดูไม่ทั้งกือจ้องหรอกช้ำเลืองดูอ่านว่าแอบบดูลักดูก็ได้แต่เราไปตั้งใจดูจริตจริงๆมันไม่ได้มันจะเข้าไปในนั้นเพราะจิตมันไม่มีตัวเราจะไปจ้องมันดูมันก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนที่มันมีตัวให้รู้ให้สัมผัสได้คือรูปกับนามกายกับเวทนานี้ชัดๆไว้ก่อนแต่ใ น, นเมื่อมันมีนมอะไรแวบบ็บเข้ามาในใจปั๊บก็ช้ำเลืองดูมันหน่อยอ๋อตอนนี้คิดเรื่องนี้นะ ตอนนี้รู้สึกเรื่องนี้นะแล้วก็ดูมันแว บ, บหนึ่งแล้ว ก, กลับมาทำความรู้สึกตัวให้ชัดๆพอความรู้สึกตัวชัดอารมณ์และความคิดเหล่านั้นมันก็แว บ, บหายไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งไปกดไปดันไปบีบไปคันมันหรอกนะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เป็นปฏิกิริยาเฉยๆเหมือนที่กล่าวในวันก่อนว่าว่าแสงกับวัตถุม่ตรงกันมันถึงเกิดเงา เพราะนั้นเวลามันเกิดเงาขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปแต่ครุกเงาเพียงแต่มาปรับแสงกับวัตถุให้มันตรงกันเงาก็หายอเมื่อมันเกิดความคิดเกิดอารมณ์ต่างๆก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ความคิดอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่มามาปรับรูปกับนามให้มันตรงกันชัดๆความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันก็หายไปเองออันนี้เป็นเป็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะไม่มีอะไรซับซ้อนให้เราเอาไปซ้อมดู วันนั้นช่วงไหนมันเกิดความคิดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างก็ให้รู้ทันทีว่าเออเงาเกิดแล้วนะเป็นไงกายใจปรับถูกต้องหรือยังความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างชัดไหมแล้ว ก, ก็รูปของเราความรู้สึกภายในกายของเราทั้งทางภายนอกภายในกายของเราชัดไหมปรับให้มันชัดต่อกันตรงกันตรงกันพอมาสนใจนี้ปั๊บตัวคิดตัวอารมณ์ที่มันเข้ามาก็หายไปให้จํารูปธรรมตรงนี้ให้ดี ว่าหลักที่ว่าเมื่อเราโยกย้ายแสงสว่างเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาไปข้างหน้าข้างหลังล้วนแต่ทำให้เกิดความปรากฏของเงาได้มีทางเดียวก็คือปรับแสงสว่างให้ตรงกับวัตถุให้ได้เงาก็าจะหายไปเนี่ยจำไอ้ลูกประธรรมตรงนั้นให้ได้เมื่อเรามาปฏิบัติเราก็โน้มเข้าไปสู่โอปนัยิโกโน้มไปสู่กายสู่ใจสู่รูปสู่นาม เมื่อมัเกิดความคิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ว่าถูกหรือผิดก็ตามปรับความรู้สึกตัวกับกายเข้ากันเสมอเมื่อเข้ากันได้ปับ๊บอารมณ์ก็หายไปนี่คือหลักของอของปฏิบัติง่ายๆเป็นหลักที่ที่ตายตัวนะแต่ทำไมจึงทำยากก็เพราะว่าเราไม่ค่อยทำมันบ่อยว่เาเราไม่ค่อยคุ้นมันเพราะตลอดเวลาเรามีแต่ที่จะ ไปกับความคิดไปกับอารมณ์ไปส่วนใหญ่เมื่อเรามาอยู่ความรู้สึกตัวเฉยๆจิตมันไม่คุ้นมาก่อนมันก็ค่อนข้างจะอยู่ยากพาะจิตของเรามันเคยคุ้นแบบนั้นเคยไปแบบนั้นเมื่อมันไม่มีแบบนั้นให้อยู่มาอยู่กับตัวรู้สึกตัวเฉยๆมันอยู่ไม่ค่อยเป็นแต่ให้รู้ว่าอันนี้แหละคือที่อยู่ที่ปลอดภัยเหมือนเรามีบ้านคนทุกวันเนี่ยไม่ค่อยอยู่ติดบ้านมีรถคันหนึ่งก็ไปน่นไปนี่ ทิ้งบ้านเอาไว้ตอนเย็นก็เข้าบ้านก็มานอนบ้านสักพักหนะึ่งพอตื่นนอนเอาไปอีกแล้วทิ้งบ้านเอาไว้ในเวลานะั้นก็สิ้นเปลืองดิสิ้นเปลืองน้ามันสิ้นเปลืองเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกฝนไล่มาก็ไม่สบายแต่ถ้าคนไหนอยู่ติดบ้านก็ไม่ค่อยสิ้นเปลืองนะ้วก็ปลอดภัยไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ว่าจะ เหตุการณ์ข้างนอกเป็นอย่างไรนี่ก็ปลอดภัยเพราะเราอยู่กับบ้านเหมือนกันถ้าใจอยู่กับกายกายนี่เหมือนบ้านใจนี่เหมือนเจ้าของบ้านถ้ากายมาอยู่กับใจใจมันอยู่กับกายก็มันอยู่กับบ้านอะไรเปลี่ยนแปลงข้างนอกก็เพรามีผลกระทบต่อเราอะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยอยู่ติดบ้านชอบหนีออกจากบ้านเลยไม่ชอบแวบไปคิดเรื่องนั้นเลยชอบแวบไปคิดเรื่องนี้เลยก็เหนีออกจากบ้านบางทีก็หลงทางกลับบ้านไม่ถูก ลืมรูป ล, ลืมนามไปเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นนะเกนะนอกจากผู้มาปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติวิปัสนาแล้วผู้มาปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิวปัสนาก็ต้องทําให้ถูกต้องเลยนะถ้าทําให้ถูกต้องก็ทําทอย่างนี้ไม่ได้อีกนะเอาผู้เราจะเห็นสังเกตว่าผู้ปฏิบัติทําก็ ย, ยังทุกอยู่เยอะมีคนนั้นก็ปฏิบัติคนนี้ปฏิบัติแต่ทให้เขาทุกอะทุกเรื่องนั้นบ้างทุกเรื่องนี้บ้าง ก็พราะาเขาไม่อยู่ไม่อยู่ติดบ้านนะชอบออกนอกบ้านไปหาริมลองอไปลองไปริมไปเล่นไปสนุกทุกนั้นเรื่อยเมื่อเกิดเหตุการณ์อนะไรขึ้นกลับบ้านไม่ทันก็อักเดบันขึ้นมาเอาเจ็บปวดอีกแล้วเอปฏิบัติกรรมฐานทําไมมีปัญหาอยู่ล่ะก็จะไม่มียังไงคุณไม่ชอบบ้านนะเพราะว่ากรรมฐานที่ปฏิบัติมันไม่ได้เน้นในคุณอยู่บ้านเน้นในคุณออกนอกบ้านอยู่เลยนะมันก็ไม่ถูกกรรมฐานแบบนั้นนะ กรรมฐานที่ถูกมันจะต้องให้เราให้เรารักบ้านรักความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าเราท่องเที่ยวมานานแล้วนี่ยิบุริเจา้าท่านตรัสว่าอเนกชาติสังซ่ารังสันทาวีสั่งอนิพีสั่งเมื่อเรายังไม่พบญาณไม่พบสติไม่พบสมาธิปัญญาเนี่ยจิตของเราในท่องเที่ยวไปในวัตฏสงสารนับไม่ท้วนท่องเที่ยวไปเรื่อยจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากโลกนี้ไปโลกนั้น วันวันห่งคิดออกไปนอกตัวเองเท่าไหร่โยมเคยนับมันไหมเคยอยู่กับตัวเองในเท่าไหร่เคยรู้ไหมไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะมันไปไปเพลินใช่ไ่าจบเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนั้นจบเรื่องลูกก็ไปต่อเรื่องผัวจบเรื่องผัวก็ไปต่อเรื่องเมียจบเรื่องเมียก็ไปต่อเรื่องเพื่อนจบเรื่องเพื่อนก็ไปต่อเรื่องงานจบเรื่องงานก็ไปต่อเรื่องบุญเรื่องกุศลไปแล้วแต่มันจะไปไปถูกไปผิดไปดีไปชั่วมันสนุก แต่มาอยู่เฉยๆรู้สึกมันไม่สนุกเลยนะโอ้อยู่กับบ้านไม่สนุกเลยออกไปเที่ยวลงหนังลงละครไปเที่ยวปาร์คเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดไปเรื่อยใจเราก็เหมือนกันไม่ชอบไปอย่างนั้นถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดอะถ้าเราไปอย่างปลอดภัยแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยนะแต่ส่วนใหญ่มันไปแบบไม่ปลอดภัยกลับมาก็ไม่ปลอดภัยนะที่แน่ๆก็คือมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองด้วยนะ ดังนั้นเองชีวิตของรากวมันสั้นชีวิตของเรามันสั้นมื่จะไปท่องเที่ยวอยู่มันก็ทําให้เราได้รับความสุขสงบน้อยเผลอๆไปติดเชื้อมาเป็นยังไงโครคภัยไข้เจ็บไปติดเอิดมาติดไอโรครานั้นโรคนี้มามาป่วยอยู่ที่บ้านนีเหมือนกันเราไปรับอารมณ์นั้นมาอารมณ์นู้มากลับมาอยู่กายอยู่ไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ย ปวดใจเจ็บใจเศร้าใจเสียใจตรอมใจเห็นไหมป่วยกัมาแล้วเนี่ยแต่คนเราก็ไม่คิดไม่ขาดไม่ขยานไม่ขา ด, ไ ม, ขาดไม่กลัวเพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดญาณปัญญาเมื่อไม่เกิดประญาปัญญาก็ไม่เห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสารชอบที่จะเที่ยวไปชอบที่จะคิดไปดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายมาเห็นว่าชีวิตเนี่ย มันไม่ถึงร้อยปีอ่ะส่วนใหญ่นะที่เกินร้อยปีก็มีไม่เท่าไรแร้ไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องจากไปแต่ถ้าหากว่าเราสามารถทำมรรคทำผลให้ปรากฏเราก็โชคดีที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่ได้ถึงมรรคถึงผลนะ่ะถ้าเราต้องตายไปเวียนว่ายตายเกิดก็ให้เราไปได้ในสุคติพบ พ, บพบชาติของเรามันสั้นเข้า แทนที่จะไปเกิดอีกร้อยชาติพันชาติก็มาเกิดชักสองชาติสามชาติไม่เกินเจชาติาต ก, ตนะก็หมดทุกนะสิ้นทุกขได้นะีถ้าหากเรามาทางถูกหรืะพุทธเจ้ารับรองไม่เกินเจด 7, ไม่เกินเจชาตินะถ้าอย่างเร็วที่สุดก็ไม่เกินชาติเดียวเนี่ยก็ให้มันสั้นมาแค่นี้แหละแต่ถ้าหากพัสดีปัญญาเราไม่พอที่มันจะดับจะเย็นสิ้นเชิงในชาตินี้นะถ้าไม่เกิดก็จะให้มันไปเกิดนาน นั้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ในชีวิตนี้ทำมันให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าหากว่าสติปัญญายังไม่สมบูรณ์พร้อมโอเคมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็อย่าให้มันไปนานให้มันได้กลับมาอีกให้มันได้สิ้นพพสิ้นชาติไวๆเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทุกข์ข้าชาติปุณณปุนังการเกิดแล้วเกิดอีกเป็นทุกข์ถ้าจะว่าใกล้เข้ามาอีกการคิดแล้วคิดอีกเป็นทุกข์การปรุงแต่งแล้วปรุงจริงแต่งอีกเป็นทุกข์ อันเนี้ยใกล้เข้ามาไม่ต้องไปพูดถึงว่าไอ้การเวียนว่ายใจเกิดแล้วมันจะเป็นทุกข์ฮะนอนปิดไฟนะแล้วจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องอเกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับเรื่องภพเรื่องชาติเราจะทําเล่นๆไม่ได้ต้องศึกษากันจริงๆว่า ง, งั้นเถอะอันนั้นที่แล้วมาเนี่ยดูซิว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นทางเป็นออปชั่นเป็นทางเลือกมากกว่าไม่ใช่ทางหลักของชีวิตเลย ทางหลักทางชีวิตเราจะต้องไปเล่นไปกินไปสนุกเรื่องอาชีพเรื่องการงานเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงเรื่องไปทั้งนั้นเอาเอาเป็นเรื่องหลักแต่เรื่องที่จะมาดูแลชีวิตให้มันอยู่รอดปลอดภัยจากทุกข์จากวัฏสงสารปลอดภัยจากกิเลสเนี่ยกลับเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องทางทางเลือกไม่ใช่เรื่องหลักเลยเห็นไหมอันนี้แหละเราถึงได้เวียนว่ายตายเกิดกันไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเองในวันนี้จะมาถึงอยากจะเน้นว่า เวลาเราน้อยแค่เจ็ดวันนี่ไม่เยอะเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกธรรมะที่ปฏิบัติกันมาสิปียี่สิบปีสาสิบปีเนี่ยจะเป็นชีวิตจิตใจก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเวลาแต่และเวลาผ่านไปนั้นมันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นเลยไม่จําเป็นทั้งระหว่ารอว่าโอ้เมื่อไรจะมีการทรีตอีกนะเมื่อไร่จะมีปฏิบัติอีกน ะ, ไ ม, ะมกนะไม่ต้องรอทําทุกวันให้เป็นวันฤิชตไปเลยลการทํามหากินแล้วก็ทําไป มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญมันมากเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องหลักไปเลยแต่เราควรจะให้ความสําคัญถึงความปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากความทุกข์เนี่ยให้มากแต่ถ้าหากเรารู้เรื่องนี้ก็ม่ไหมายความว่าเราจะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปท า, านเกิดขึนะ้นมันเกิดแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันไงเราใช้มันเราเปลี่ยนแปลงมันอย่าง ในบรรยากาศเนี่ยถามว่ามันมีเชื้อโรคไหมมีไวรัสไม่มีเชื้ออะไรต่างๆมากับฝุน่นก็ะองมีแต่ทำไมเราจึงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บล่ะก็เพราะว่าอะไรเพราะภูมิต้านทานเราจยู่เข้มแข็งอยู่แต่ถ้าเมื่อไรภูมิต้านทานเราตกไปไงไอเชื้อโรคไอไวรัสอะไรต่างๆที่ในอากาศนี่า ก, านก็มีส่วนกระทบเราให้เราป่วยให้เราไม่สบายเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเห็นไหม อันนี้คือส่วนที่เราจะต้องเข้าใจนะทนั้นั้นในช่วงต่อไปนี้นะครบละ30สิบนาที4ี่บนาทีโยมก็จะกลับพระตามพระอาจารย์ไปเดินชมกลุ่มข้างนอกนะแล้วมาก็จะคุยกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งเขาได้สะดวกนะไปกลับพระไปพระอาจารย์ก็พาโยมไปปฏิบัติข้างนอกต่อ I would like to invite uh, three of you move close a little bit close. We will uh, talk and discussion uh, and uh, come close. Because we let our Thai friend go to practice like you and i t h e r invite you come to. Can uh, you can move the chair if you need want to to sit on the chair? Yeah. I I don't want to use the microphone. ท่องไปอยู่เดลิกว้โอเคไอ้บินิ